พระสุทินเสพเมทุนธรรม36หลังจากนั้นมานดาของท่านพระสุทินเรียกอดีตภรรยาพระสุธินมาสั่งว่าลูกหญิงเมื่อถึงเวลาที่เจ้ามีระดูต่อมโลหิตเกิดมีแก่เจ้าเจ้าต้องบอกแม่นางรับคําต่อมาเมื่อนางมีระดูต่อมโลหิตเกิดขึ้นจึงบอกแม่ผัวว่าดิฉันมีระดูต่อมโลหิตเกิดแล้วมารดากล่าวว่าลูกหญิงถ้าอย่างนั้น เจ้าจงแต่งกายด้วยพรณที่ลูกสุทินเคยรักใคร่ชอบใจเถิดนางก็ปฏิบัติตามคำของแม่ผัวต่อมามารดาพาสะพยไปหาท่านพระสุทินที่ป่ามหาวันกล่าวว่าลูกสุทินตระกูลเรามั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพค่ามากมีเงินมีทองมากมีเครื่องประดับมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากลูกควรกลับมาเป็นเครือัดจะได้ใช้สอยทรัพย์สมบัติและทำบุญพระสุทินตอบว่าอาตมาไม่อาจ ไม่สามารถตมายังพอใจประพติธรภมจันท ร, ร์อยู่มันดาพระสทินวิงวอนเป็นครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามนางกล่าวว่าลูกสทินตระกูลเรานี้บังคั่งมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากลูกจงให้ผู้สืบเชื้อสายไว้เจ้าลิชวีจะได้แม่ริบมรดกของเราที่ขาดผู้สืบสกุลพระสทินตอบว่าโยม เรื่องนี้อาตมาพอจะทำได้แล้วจับแขนอดิตพระยาทาเข้าป่ามหาวันเพราะยังไม่ได้บรรยัญญติสิกขาบทจึงเห็นว่าไม่มีโทษได้เสพเมทุนธรรมกับอดิตพระยาถึงสามครั้งนางตั้งคันเพราะเหตุ น, นี้